บทที่สามพระเถระเจ้ า, าผู้ซึ่งหลงพ่อในป่าเรียกว่าพระยาตากยิ้มน้อยๆก่อนตอบคำถามของสมภารวัดป่ามะม่วงเรื่องนี้ก็ไม่มีผู้ใดล่วงรู้มาก่อนนอกจากเรากับโยมมานดาแม้แต่โยมบิดาของท่านก็ไม่รู้หรอกขอรับ ท่านพระครูเรียนถามถูกแล้วประวัติของเราคล้ายคลึงกับของสมเด็จพระพุทธจารย์ตรงที่โยมแม่ของเราตั้งคันโดยที่โยมพ่อไม่ทราบชีวิตช่างเหมือนลิเกนะักขอรับสมัยที่เป็นเด็กกระผมชอบดูลิเกพ่อเป็นหนุ่มก็เขียนบทให้ลิเกเอาไปเล่นผมเลือกเขียนเกี่ยวกับ พระประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ผมเขียนเรื่องเท้าปาจิตกับนางอรพิมเขียนไว้หลายเล่มสมุดพวกคณะลิเกมาขอยืมไปเล่นแล้วก็เลยหายสาบสูญไปเรื่องเท้าปาจิตกับนางอรพิมซึ่งเป็นพระชาติหนึ่งในห้าร้อชาติของพระโพธิสัตว์ก็มีเรื่องราวเหมื่อลิเกน่าขอรับ เพราะความหลงในสงสารที่เดียวที่ทำให้ชีวิตมนุษย์เราเหมือนกับลิเกท่านพระครูเล่าความหลังแต่บัดนี้ลิเกของเรากับท่านได้ปิดฉากลงแล้วเพราะตัดความหลงในสงสารเสียได้พระเถรรัเจ้าสรุปแล้วจึงเล่าความเป็นมาของท่านว่าเราเป็นลูกกษัตริย์พระองค์หนึ่งในสมัยอยุธยาตอนปลาย ท่านลองทายซิว่าโยมบิดาของเราคือใครท่านพระครูคิดอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งจึงพูดว่าคงไม่ใช่สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรแล้วก็คงไม่ใช่สมเด็จพระที่นั่งสุริยาอามรินหรืออีกพระนามหนึ่งคือสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์กษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่งกรุงศรีอยุธยากระผมขอทายว่า น่าจะเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมะโกศใช่หรือไม่ขอรับถูกแล้วโยมมารดาของเราเป็นนางสนมลับๆของโยมบิดาซึ่งเป็นกษัตริย์ลำดับที่31แห่งกรุงศรีอยุธยาท่านทราบหรือไม่ว่าสมัยอยุธยามีกษัตริย์ปกครองกี่พระองค์33พระองค์ขอรับแต่มี34รัชกาล พระสมเด็จพระราเมสวนทรงครองราชสองครั้งครั้งที่หนึ่งปีพุทธศักราช 1,912 ถึง 1,913 ครั้งที่สองปีพุทธศักราช 1,931 ถึง 1,938 กรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวงอยู่417ปีมีกษัตริย์ปกครอง33พระองค์ ที่ครองราชได้เพียงเจ็ดวันคือพระเจ้าทองลันและที่ครองราชนานถึง40ปีคือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถท่านพระครูตอบเกินคําถามและท่านทราบหรือไม่ว่าสมัยกรุงศรีอยุธยามีกษัตริย์ปกครองทั้งหมดกี่ราชวงศ์พระเทระเจ้าถามอีกท่านพระครูเกรงว่าพระบัวเหวียวจะง่วงที่ฟังอย่างเดียว จึงเปิดโอกาสให้สิทธิ์พูดด้วยการถามว่าบัวเฮียวเธอทราบไหมว่าสมัยอยุธยามีกษัตริย์ปกครองทั้งหมดกี่ราชวงศ์พระบัวเฮียวตอบทันทีว่าไม่ทราบครับเพราะผมไม่ได้เกิดในสมัยอยุธยาเหมือนหลวงพ่อและพระยาตาท่านเรียกพระเทระเจ้าเหมือนที่หลวงพ่อในป่าเรียก แล้วเธออยากทราบไหมอาจารย์ถามอีกถ้าผมตอบว่าอยากหลวงพ่อก็ตำหนิติเตียนว่าคนที่หมดความหลงในสงสารแล้วยังมีความอยากอีกหรือผมจึงขอตอบว่าไม่อยากทราบแต่ถ้าหลวงพ่อจะบอกไว้เป็นการประดับความรู้ให้ผมผมก็ยินดีให้ประดับครับพระบัวเหวี่ยวตอบตามบุคลิกอันเป็นเอกลักษณ์ของท่าน เอาละตกลงว่าฉันจะประดับความรู้ให้เธอด้วยการตอบว่าสมัยอยุธยามีพระมหากษัตริย์ปกครองทั้งหมด33พระองค์มีหราชวงศ์ได้แก่ราชวงศ์อู่ทองสมพระองค์ราชวงศ์สุพรรณภูมิ13พระองค์ราชวงศ์สุขโขทัยเจพระองค์ราชวงศ์ปราสาททองสพระองค์และราชวงศ์บ้านพลูหลวง หกพระองค์กระผมตอบอย่างนี้ถูกต้องไหมขอรับท่านถามพระเถระเจ้าถูกต้องท่านความจาดีมากสมกับที่เคยเกิดในสมัยอายุทยาถึงสองครั้งท่านคงทราบใช่ไหมว่าท่านเป็นแม่ทัพในราชการสมเด็จพระนเรสวนมหาราชแห่งราชวงศ์สุขโขทัยครั้งหนึ่ง และก่อนกรุงศรีอยุธยาจะเสียให้แก่พม่าในสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัตแห่งราชวงศ์บ้านโพลูหลวงท่านก็ต่อสู้ป้องกันบ้านเมืองเต็มความสามารถแต่ก็ต้องมาเสียชีวิตเพราะกลนค่าศึกของพมา่าตอนท่านเป็นแม่ทัพใหญ่เรายังหนุ่มและก็ไม่ได้มีตําแหน่งสําคัญอะไรทั้งสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร และสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ก็ไม่ทรงทราบว่าเราเป็นโอรสในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ท, ที่เกิดจากสนมลับชาวจีนชื่อไห่หองซึ่งประวัติศาสตร์บันทึกว่าเป็นชื่อบิดาของเราส่วนมารดาประวัติศาสตร์บันทึกว่าชื่อนางนกเอี้ยงในความเป็นจริงไห่หองเป็นชื่อโยมารดาของเรา ส่วนนางนกเอี้ยงไม่มีตัวตนการที่โยมมารดาของเราไม่ได้กราบทูลให้โยมบิดาทราบเพราะว่าเกรงจะเป็นอันตรายแก่เราท่านก็ทราบดีมิใช่หรือว่า417ปีแห่งสมัยอายุทยาก็คือลิเกโรงใหญ่ของเราดีๆนี่เองมีการฆ่าแกงเพื่อแย่งชิงราชสมบัติ แก่งแย่งอิจฉาริษยากันท่านจำได้หรือไม่ว่ากษัตริย์กรุงศรีอยุธยา33พระองค์นั้นถูกปลงพระชนไปกี่พระองค์พระเทเจ้าถามอีกแปดพระองค์ขอรับคราานี้ท่านพระครูตอบไม่เกินคำถาม พระเทวราเจ้าจึงถามอีกว่ามีพระองค์ใดบ้างมีพระเจ้าทองลันพระรัชดาทิราชพระแก้วฟ้าแห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิพระศรีเสา ว, วภาคสมเด็จพระเชษฐาทิราชพระอาทิตยวงศ์แห่งราชวงศ์สุขโขทยัยพระอาทิตยวงศ์ถูกถอดออกจากราชสมบัติก่อน แล้วถูกปลงพระชนภายหลังและราชวงศ์ประสาททองอีกสองพระองค์คือสมเด็จเจ้าฟ้าชัยและสมเด็จพระศรีสุธรรมมาาชาจริงอย่างที่ท่านพูดมานั่นแหละขอรับว่า417ปีแห่งสมัยอายุทยาก็คือลิเกรโรงใหญ่เราดีๆนี่เองแต่ท่านขอรับวัตจักชีวิตช่างวกวนเหลือจากกล่าว ท่านเชื่อไหมขอรับว่าโยมบารดาของกระผมสมัยที่กระผมเป็นแม่ทัพตอนปลายสีอยุธยาได้มาเกิดที่อยุธยาอีกกระผมได้ไปพบโดยบังเอิญเมื่อหลายปีมาแล้วเหมือนเรื่องลิเกเลยขอรับท่านหมายถึงแม่เชิญสีเรื่องของเราก็เหมือนลิเกนะโยมบิดาสวรรคตโดยมิได้ทรงทราบว่า พระองค์มีบุตรกับหญิงจีนผู้เป็นสนมลับๆของพระองค์โยมานดาได้สร้างเรื่องขึ้นว่าเราเป็นลูกจีนบิดาชื่อไหหยองมานดาชื่อนางนกเอี้ยงและเรื่องที่สร้างขึ้นนี้ก็ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ที่โยมานดาทำเช่นนี้ก็เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของเราเราไม่ได้คิดว่าเป็นความผิดแต่ประการใด และเราก็ไม่ตาหนินักประวัติศาสตร์ที่บันทึกเรื่องราวอันเป็นความเท็จเพราะเขาบันทึกตามข้อมูลเพียงแต่ข้อบันทึกนั้นถูกปิดเบือนเพื่อความอยู่รอดของประเทศชาติซึ่งนักประวัติศาสตร์เองก็ไม่รู้เราจึงพูดว่าไม่มีประวัติศาสตร์ของชาติไหนที่จะถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกอย่างเงียบกันไปครู่หนึ่ง สมภารวัดป่ามะม่วงก็ถามพระเถระว่าท่านจะกรุณาเล่าเหตุการณ์ตอนที่ท่านกู้เอกราชให้กระผมฟังได้ไหมขอรับกระผมอยากทราบว่าตรงกับประวัติศาสตร์มากน้อยเพียงใดกระผมอยากฟังขอรับพระบัวเหวียวพูดขึ้นเลยถูกท่านพระครูซึ่งถือโอกาสแก้เพดว่าก็ไหนเธอบอกว่าคนที่หมดความหลงในสงสารแล้ว จะไม่มีความอยากไงล่ะและทำไมถึงบอกว่ายังอยากฟังผมก็อยากตามหลวงพ่อนั่นแหละครับในเมื่อหลวงพ่อยังอยากทราบและทำไมผมจะอยากฟังบ้างไม่ได้สิทธิตอบชนิดที่อาจารย์ไม่รู้จะเถียงว่าไรพระเถระเจ้ า, าจึงพูดขึ้นว่าตกลงเราจะเล่าให้ฟังท่านไม่ต้องเถียงกันให้เสียเวลา ประวัติศาสตร์บันทึกเหตุการณ์ตอนเรากู้ชาติตรงกับความเป็นจริงเพียงแต่มีบางเรื่องที่ไม่ได้บันทึกไว้อย่างเรื่องที่เราตีเมืองจันทบุรีประวัติศาสตร์บันทึกแต่เพียงว่าเราสั่งให้ทหารทุบหม้อข้าวหม้อแกงทิ้งความจริงเราทำมากกว่านั้นคือหลังจากตีเมืองจันทบุรีได้แล้วเราก็มาพิจารณาว่า สงครามกู้ชาติต่อจากนี้ไปจะต้องหนักหนาสาหัสและยืดยาวจึงให้สร้างพระยอดธงแบบสีอายุทยาขึ้นแล้วนิมนต์พระเทวรัชทั้งหลายมาสวดบทพาหุงมหากาบรรจุไว้ในองค์พระเราเองก็เจริญรอยตามสมเด็จพระนเรสวนมหาราชด้วยการเจริญพาหุงมหากาหรือในปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันในนาม บทถวายพรพระพาหุงมหากามีอนุภาพมากเพราะว่าด้วยชัยชนะของพระพุทธองค์ที่ส่งชนะพยาวัสวัสตเีมานอรวกยักษ์ช้างนาลาคิรีองคุลิมานนางจินจมานวิกาสัจกะนิครนนันโทปนันทา น, นาคาราชและเท้าพากาพรม เพราะอนุภาพแห่งการสวดพาหุงมหากาสมเด็จพระนเรสวนจึงทรงชนะสงครามทุกครั้งไม่เคยแพ้เลยเราเองก็ได้รับอนิสงฆ์แห่งการสวดคือเรากู้ชาติได้สำเร็จพาหุงมหากาแต่งขึ้นในสมัยอยุธยาใช่ไหมครับกระผมอยากทราบว่าท่านผู้ใดเป็นผู้รจนาหลวงพ่อในป่าพูดขึ้นว่า ปี2529เธอจะได้พบกับผู้รจนาอดใจรออีกปีเดียวท่านยังมีชีวิตอยู่หรอครับหลวงพ่อท่านพระครูรู้สึกสงสยัยหลวงพ่อในป่าจึงอธิบายว่าถ้าความหมายของยังมีชีวิต ตามความเข้าใจของปุถุชนเราก็ขอบอกว่าท่านไม่มีชีวิตท่านไม่ได้มีชีวิตเหมือนเธอหรือเหมือนกับพระโบเหียวเอาเป็นว่าท่านเหมือนเราเหมือนพระยาตากที่แม้จะไม่มีชีวิตแต่ก็สามารถสื่อสารกับเธอได้ท่านจะมาพบเธอในฝันไม่ได้มาแบบเรากับพระยาตาก หรือแบบสมเด็จพระพุท ธ, ธารย์เรื่องอย่างนี้เป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตัวคนที่เขารู้ไม่ได้เขาเข้าใจไม่ได้เพราะขาดทั้งสติและปัญญาไม่เคยอบรมกายไม่ได้อบรมจิตเขาก็จะมองว่าเป็นเรื่องเล้วไหลไร้สาระในอนาคตการเมื่อโลกจเจริญทางวัตถุ ผู้คนก็จะยึดถือเส้นลวดเล็กๆบางๆเป็นสาระแทนพระรัตนตรยัยโลกจะถึงยุคที่ขรือหัดศึกษาธรรมะส่วนพระจะไปศึกษาคอมพิวเตอร์ถ้าใครอยากรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ต้องไปถามพระอยากรู้ธรรมะให้ถามขรือหัดเป็นเรื่องน่าเศร้าและก็จะมีนักบวชที่เรียกตัวเองว่าพระ หากความจริงเป็นได้แค่คนโกนหัวห่วมผ้าเหลืองเพราะเขาไม่มีคุณสมบัติของพระแม้แต่ข้อเดียวแต่เขาอาหารกาถือว่าเป็นผู้เก่งกาจในวิชาทางโลกแต่ในทางธรรมซึ่งเป็นหน้าที่ของเขาจะต้องรู้จะต้องศึกษาเขากลับไม่รู้เพราะไม่มีเวลามานั่งเจริญสติเอาเวลาไปนั่งเฝ้าจอคอมพิวเตอร์ แล้วก็สร้างเครือข่ายอวดรู้เที่ยววิจารณ์พระเทระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเธอเองก็จะถูกวิจารณ์ด้วยเรื่องที่เธอพบกับผู้รจนาพาหุงมหากาแล้วนำบทสวดไปเผยแผ่ให้ประชาชนสวดเพื่อแก้ปัญหาเธอจะช่วยประชาชนได้ทั่วโลกขณะเดียวกันพวกที่นั่งเฝ้าจอคอมพิวเตอร์ ก็จะพยายามหาทางจับผิดพวกเขาไม่รู้หรอกว่าได้พาตัวเองเข้าสู่อบายพวกเขาจะบาปหนาซียิ่งกว่าพระเทวทัตที่เรียกว่าบาปหนากว่าเพราะว่าพระเทวทัตท่านยังมีโอกาสได้ตรัสรู้เป็นพระเปิดเจกก้พุทธเจ้ามีพระนามว่าอัติศละในคัมภีร์กล่าวไว้ว่า เมื่อพระเทวทัตใช้กรรมในนรกอเวจีเป็นเวลาห้ากับแล้วท่านก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเราจึงพูดว่าพวกนั่งเฝ้าจอคอมพิวเตอร์แล้วเที่วยวเผยแผ่คำหยาบคายว่าร้ายพระเทวะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นบาปหนาซิ่งกว่าพระเทวทัตและหมดโอกาสที่จะบรรลุธรรมหากเขาไม่กลับตัวกลับใจเสียใหม่ หลวงพ่อในป่าอธิบายค่อนข้างละเอียดเพราะท่านเห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วคนที่นำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในทางดีมีไหมครับหลวงพ่อผู้ถามคือพระบุเหียวมีเช่นพระเถระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็ใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์ในด้านการเผยแผ่หลักธรรมคำสอน ของพระพุทธองค์แต่ถ้าจะวัดกันในด้านปริมาณคนที่ได้ประโยชน์จากสิ่งนี้มีน้อยกว่าคนที่ได้โทษโ ด, ดยเฉพาะเยาวชนพวกเขาจะเสียหายมากเพราะจะไม่สนใจศึกษาเล่าเรียนแต่จะนั่งเฝ้าจอคอมพิวเตอร์สื่อสารหากันด้วยเรื่องไร้สาระถึงกับเสพสิ่งลามกอนาจารทางคอมพิวเตอร์ จะว่าไปแล้วคอมพิวเตอร์ในตัวมันเองก็ไม่มีประโยชน์หรือโทษแต่อยู่ที่การนำไปใช้คนที่มีสติปัญญาจะนำไปใช้ในทางที่เกิดประโยชน์ทั้งประโยชน์แก่ตนเองและประโยชน์แก่มนุษยชาติส่วนคนไร้สติปัญญาก็จะนำไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่ตนเองและแก่มนุษยชาติเพราะฉะนั้น ผู้ใช้โดยเฉพาะผู้ที่เป็นบรรพชิตจะต้องใช้ด้วยปัญญามิใช่ด้วยตัณหาผมอยากฟังประยาตากเล่าเรื่องการกู้ชาติครับพระบวัวเหียวเอ่ยขึ้นเบาๆหลังจากที่พระเถระทั้งสามองค์อนุ ญ, ญาตให้ความเงียบเข้ามาแทนที่การสนทนาเพระผมอยากฟังขอรับท่านพระครูสนับส น, นุนอยากฟังก็เล่าให้เขาฟัง เขาเป็นสหธรรมิกของเธอหลวงพ่อในป่า พ, พูดกับพระเถพระเจ้าโดยใช้ถ้อยคำแบบเดียวกับที่พูดกับพระครูและพระโบเยียวครับหลวงพ่อพระเถพระเจ้ า, าพูดกับอาจารย์โดยใช้ถ้อยคำแบบเดียวกับที่สหธรรมิกทั้งสองท่านใช้แล้วจึงเล่าวีรกรรมการกู้ชาติของท่านเมื่อครั้งกรุงแตกในปีพุทธศักราช2310ว่า หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาเสียเอกราชให้แก่พมา่าเมื่อปี 2,310 บ้านเมืองก็ระสำไรระสายมากพมา่าเผาปลานถล่มทลายกรุงศรีอยุธยาเสียย่อยยับวัดวาอารามถูกทำลายยับเยินพระศรีสันเพชร ซ, ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมีความสูงถึง8วาหุ้มด้วยทองคำหนัก 20,000 บาท ก็ถูกพม่าใช้ไฟลนเผาลอกเอาทองคำขนกลับไปเมืองตนผู้คนแบ่งแยกออกเป็นก๊กเป็นหล่ามีก๊กที่สำคัญอยู่ถึงหกก๊กด้วยกันก๊กที่ร้ายกาจที่สุดก็คือก๊กเจ้าพระฟางซึ่งมีหัวหน้าเป็นพระภิกษุที่ว่าร้ายกาจก็เพราะทำให้เสียภาพลักษณ์ของพระาศาสนาผู้ครองกาสาวพัท โกนศีรษะเหมือนพระภิกษุแต่เสพสุราฆ่าคนและทำลามกอนาจารด้วยประการต่างๆเจ้าพระฝังในเครื่องแต่งกายของบรรพชิตคุมกองทัพสงออกปล้นจี้ทรัพย์สินของราษฎรทำให้บ้านเมืองที่ระสำนระสายอยู่แล้วต้องสับสนโอมานหนักขึ้นเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของพระศาสนาอย่างร้ายแรงที่สุด พระเถระเจ้าหยุดเล่าเพื่อกำหนดปรงธรรมสังเวทท่านพระครูและพระบัวเหวกำหนดปรงธรรมสังเวทเช่นเดียวกันจากนั้นอดีตวีรบุรุษแห่งประเทศสยามจึงเล่าต่อเมื่อเราปราบก๊กสำคัญสี่ก๊กได้แล้ว จึงยกกองทัพไปตีกกเจ้าพระฝางซึ่งเวลานั้นไปตั้งมั่นอยู่ที่พิษณุโลกเนื่องจากไปตีได้เมืองพิษณุโลกไว้กองทัพของเราตีเมืองพิษณุโลกได้แต่เจ้าพระฝางหนีไปเป็นอันว่ากกทั้งห้าพ่ายแพ้แก่กกพญาตากเมื่อได้ชัยชนะแล้วเราก็คิดว่าจะฟื้นฟูปฏิสังขรณ์กรุงศรีอยุธยา แต่ก็มองไม่เห็นทางเลยว่าจะทำให้กรุงศรีอยุธยารุ่งโรดเหมือนแต่ก่อนเราได้เริ่มวิตกกังวลคืนหนึ่งเราก็แก้ปัญหาด้วยการสวดพาหุงมหากาแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลให้ดวงพระวิญญาณของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาทุกพระองค์และขอท่านเหล่านั้นจงช่วยหาทางออกให้แก่เราด้วย จากนั้นเราก็หลับไปพระเถระเจ้าหันไปพูดกับหลวงพ่อในป่าว่าหน้าแปลกนะครับหลวงพ่อเป็นเรื่องที่บางคนอาจคิดว่า ง, งมงายไร้สาระแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมเห็นในฝันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหากเป็นผลจากการแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลท่านเห็นอะไรหระขอรับท่านพระครูถาม พระเทระตอบว่าเราเห็นสมเด็จพระนเรสวนกับพระอาจารย์ของท่านที่เรารู้เพราะพระเทระรูปนั้นท่านพูดว่าอาตมาคืออาจารย์ของสมเด็จพระนเรสวนที่มาช่วยท่านแก้ปัญหากรุงศรีอายุทยาเสียหายเกินกว่าจะปฏิสังขรณ์ได้ทั้งพม่า ก, ก็รู้ลู่ทางที่จะเข้ามาโจมตี ขอท่านจงย้ายราชธานีไปอยู่ที่กรุงทนบุรีและสถาปนาตัวท่านขึ้นเป็นกษัตริย์เถิดอาตมาขอถวายพระพรจากนั้นสมเด็จพระนเรศวรมีพระดำรัสแก่เราว่าขอต้อนรับกษัตริย์แห่งกรุงทนบุรีขอพระองค์จรงทานุบารุงพระพุทธศาสนาอันเป็นมรดกล้ำค่าของชาวสยามแล้วภาพนั้นก็หายวับไป เราตื่นขึ้นมากลางดึกจิตสัมผัสกับความสงบเย็นผิดกับคนที่ฝันร้ายซึ่งตื่นขึ้นพร้อมกับความหวาดกลัวและเหงื่อไหลโทมกายเรารู้สึกเหมือนกับว่ามิได้ฝันไปเพราะภาพนั้นยังฝังแน่นอยู่ในมโนนึกมาจนบัดนี้พระเถระเจ้าเล่าโดยใบหน้าเจียยิ้มเมื่อรำลึกถึงเหตุการณ์แต่ก่อนเก่า จากนั้นจึงเล่าต่อพระราชดำรัสในสมเด็จพระนเรศวรทำให้เราตั้งปณิธานในบัตรนั้นว่าจะทํานุกบำรุงพระพุทธศาสนาให้วัฒนาถาวรสืบไปและนี่เองคือที่มาของปณิธานของเราที่ท่านกล่าวให้พระบัวเหียวฟังเมื่อสักครู่นี้ท่านพระครูจึงถือโอกาสถามพระบัวเหียวว่าบัวเหียว เธ อ, อยังจำพระราชปณิธานที่ฉันกล่าวให้เธอฟังเมื่อสักครู่นี้ได้ใช่ไหมพระวัวเหียวตอบซื่อว่าจำไม่ได้แล้วขอรับหลวงพ่อทำไมถึงจำไม่ได้ในเมื่อเมื่อสักครู่เธ อ, อยังสาธยายให้ฉันฟังไม่มีผิดเพี้ยนเลยสักคำเวลาผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงลืมเสแล้วการลืมไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับหลวงพ่อการไม่ลืม จะเป็นเรื่องที่แปลกพระบัวเหียวอธิบายแปลกอย่างไรแปลกไปจากคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะสิครับก็พระองค์สอนว่าสัญญาอานิจจาสัญญาไม่เที่ยงสัญญาก็คือความจำได้หมายรู้ถ้าการจำเที่ยงเราก็จะไม่ลืมแต่เพราะเราลืม ที่ลืมก็เพลาะสัญญาไม่เที่ยงตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาของเราที่จะต้องลืมการลืมคือการจำไม่ได้ถ้าเราจำได้เราก็ไม่ลืมและถ้าเราไม่ลืมก็แสดงว่าสัญญาอนิจจาไม่จริงการลืมจึงเป็นการพิสูจน์ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความจริงหลวงพ่อพอจะเข้าใจใช่ไหมครับ เอาละเอาละฉันว่าจะไม่เข้าใจก็เพราะอธิบายแบบเยิ่นเย้อยืดหยาดของเธอนี่แหละไม่ต้องอธิบายต่อก็ได้ฉันอยากจะฟังพระเถระเจ้าเล่าเรื่องการกู่ชาติมากกว่าท่านพระครูพูดตัดบท